ตัดเหต้องมาตำรวจตัาข้ามเนี่ตัดเนิร์ได้ครับหลวงปู่ตาะข้านครับดเฉพาะข้ามเหนทอตัดเนิร้าเหนืนรเฉพาะเนมันเียงดอกเน่หลวงป่รว่ได้ตำรวจนลวดมัดหน่หตำรวจกินลวดหมดเหลวงปู่ เอาเลยนับวันนี้ตายวันนี้ว้าอากรรมนี่อะลาพระเจเกิดในครอันได้จะาเกิดในฟองใสดังเสตเจ้เกิดในข้าวไข่ข้าวไข่ตัวนี้เขารียตัวนร้วเนาะชีไข่รอไข่ไข่ไขตัวนีน่นโน่นเรา่เนาะโอปปากะ โอปปาติกาเาว่าโอปปาิกาเาว่าโอปปาติกะเกิดพุขึ้นเกิดพุทขึ้นนี่ยสองคพวจคพวกเกิดในนโกก็เกิดพุดขึ้นพวกเกิดในสวรรค์ก็เกิดพุทขึ้นเป็นตัวเป็นตนไปเหมือนในเมัดคหือในขั้นในไทในตในไครเกิดพุทขึ้นเกิดพุทขึ้นไม้ก็มาคนพูดจะไปลกนรกตายได้ไปลกนรกเสกว่าจะไปซือประสีสนเท็ในขั้น ใน้อกไค้ในเทาในไข้ในเกิดพขึ้นโหลดเป็นต้นเป็นตัวกระเดิดเดือดผลผลของเก่าเป็นต้นเป็นตัวข อ, อ, ววของง่ายผลเดือคือห้องน่านฝันไปเนี่ยซั ก, กปกกระโปรงไปสวรรค์ของนันนะคนละเ้าโอกระาติกาจชนสัตเกิดพขึ้นความสัเพ์่นละหาเป็นาาโอกระผาติการบอกบคอนงูนคือว่า น, นีนาา่การตะขัดส่ง ยูสิปุ๊จิตวิญญาณคนหนึ่งทิ่มาเขากระทังผมมือเสียงของผมแล้วผมเขามัอกับเป็นนักสัตว์ปเมเปบางที่ันวากระบกหูหรกตันวาเดืสส่วนในฟังท่อมจะมือก็เลยถามว่าไปสไปวัดไหนรบกไปฟัง่อมน้าผัดไปฟังท่อมน้ำเทศเขาส่งเทพสส่กระบกกบมืใจว่าจเปเขาส่งแล้วเขาเป็นไว่าไปฟังท่อมนําเทพ ละเปอร์เซ so okay, okay. okay. okay. okay. ็นต์ขงผประทับส่งวุ้วุวุ้ยวุ้ยเต้นกันยังไงเนื่ยเสนาบนเนี่ยาผ้คือยังนึ่งทานตีล้างไม่ได้วเสนาบนสลไม่ได้เขาไปหรอกเข้าใจบ้านเลยเข้าใจนี่เป็นเส้นยาศาสตเยพุธศาตพุศาตนี้เรื่องศาวตร์อะไระเ้ยาศาสตร์กพี่เขาเจะศูนย์เป็นเส้นยาศาสตร์าสตรนะศาสชนะข้าม ปรธานาราิรัฐกานธบุตรพ่อหีเขาส่งยื้อเขาเจะสูนเขาส่งบอก บ, บ่าอะว่าัธรบุรประมาณข้าวเขาเน่เขาคนยืมมาส่งคนยืมมาส่งคนนี่เอ จะ้าว่า ม, มันร้อมกระเทอพวกที่เจาไว้เรื่รองของกระเทอเรื่องหลงกดปีตีขึ้นปีโอเคข้าปีตีปีตีหลกย่างโหลดโหนบางคนก็ห้องเอเดอร์ดังการไม่ตัวแต่ฟองอันนั้นมันเจนติดทอยู่อ่างปีตีควยใจปีตีแบบวามเ็มใจ น, นั่นเองคปูดจาดโวดสนถึงตรงนี้ น, นี่เขาฝเขาร่ำจะเปิดสีฟ่าจะเปิดสีแดงบล็อกเจ้าท้องอะไรบ้างพวกตลาดนะ น, นี่ส่วนถามติดถามมาจะนั้นเป็นของจริงว่าท่มันโบเกตเือหลามโบเกตเห็นมัน่เล็าส่วนก็สิทิร่องนี มันมีคอบอกกันอยู่ไหนสุ่มนนี้สุ่มอะไรระหลกระมบนวาบออกหลัว่วาเท่านั้นเ่าเ น, า น, านาาาาี้ส่วนต า, ต า, ออางไปหมดว่าว่เเาเสียพระบ่เสียอย่าง้แว่าเสียบ่เสียก้นว่าเสียพเสียเทษเศอยางอยู่เป็นแนวด้วยประเทศประเทศมาสิงห์นั่นแหะแล้วแล้วพปมองสั่งว่าครบเทศปเทบมาสิงหเนีย่ยเนีย แล้วก pues ็แต่ที่รถตู้นี่อยู่นี่พระประชูองค์หนึ่งลอยเยอในข่ำลอยเยอะในข่ำเราเท้าก่อนเทพประชิ้นเขาชิ้นเขาในบ้านว่าขอให้อนาบ้างเข่าพระองค์อยู่ในข่ำมาสัรเระมากินไรก็ใช้กล้วยไรก็ใช้ไป่ไรก็ใช้ปวดเข่าบ้างหัว าาก็ได้ามาขอนาขอน้ามดังเท่าพระองค์ก็เลยทำกระินก็ได้หายอย่ี้คะเนี่ยาาาาหายอย่างยาูว่ายูว่าเขาเลยมากาบตูน่าทำเวรบ่นโกัล้างคาถาหายขีทำศิลปาสตร์เขาดูสูงขึ้นข้าเลยเน่ึ้าพระองค์อ่ะเนี กาโทษพระอษพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวัาท่านแำอะไรไปยุ่งอะไพวกแ่ในทางมันน่ไม่เรื่องม่เกีหรอกัองชากเราเรื่องสิงมนันไม่เรื่ทาไรว่าสิงนันนี้คันฆ้าสมมติว่ามันน่าสิงในห้อว่าเป็นท่าราหัสนายที่เหลท้งรามอะไรครับหจะเป็นบบน้ คือว่าปัญหานี่วางสิงเพรามาสิงปุ๊บเนี่ยพนสิตสอนค้าสอนพระองค์ถังหลวงโอ้พนสีฟ้าถ้าออกมาเป็นกับเป็นซอซอนเลยนะอืมแน่นครัแต่ว่าเคยอะไรเงี้ยก็ชอาก็ะดับแล้วคิตใจของพระสมหวัคสั่งจะสิงว่สิงขังไหมพระองคเจ้าขัสอนไว้พระองคแห้งแล้วเรื่อยสิงที่ะสมหวังเดี๋ยวมองสั่งว่าเนยืมเข้าจอม ก็มีอย่างเดียวปุบุมนบเคยไปหักสองประเภทีต่างตัวหนึ่งกุมารสิงห์สองขนอ่างวะลุงโกโตอ้างวะอานาเรสวนอ้างวะพระเจ้าตากสินอ้างวะพระเจ้ายังต้องพระเจ้ายังหลายองค์ที่สคัญของตัอันนี้นะเข้าแห้ก็เสื้อหลายเส้นแล้วบันนี้เพราะว่าเท้าหลอกกินขนมมาจากองครับแล้วก็อ้างเขารว่าอ้างหลาย เสื้อกับสอนธรรมะบ้านในกระเพ้าท่ำบุญหลวงวังเงินตประทับส่งนี่ไใดให้เอาไปทำบุญทุกวันเสื้อชจ้งผู้ใดยกทุกไ์เรียกเดือดร้อนเมื่อร้อนใจก็ไปหาไปกราบยกมือพรน้อมกราบหน้าบ้านก็ถามในอดีตของตัวเองมาเป็นยังไงมาอย่างไรนี่ก้าวไปสิบปีมาอ่างรพอดีขึ้นเพิ่นก็ะโ่วความหลังให้ฟังมัดมือนันเจ้าที่ก้นซ่อมือนั่งจ่อได้เงินเท่านั้นมือนั่งจ่อที่มมัดงบุครับ บาลนี้ก็เลยโอ้สภาหลายตอนนี้เ็เลยถามเป็นขนาถามันาดโจดไวไหมโจดย์เพปุ๊บมี่ยังเกิดติงเตียนตัวกันอ้ยนั่งส่งเลยนี่ปงะธานส่งนี่เือประธาน่าเนี่ยทาวไม้ว่าเขาไปนั่งฟังผู้เดียวยามขึ้นเนี่ยไปไปอันเชิ์เท็ดออกมาออกมาสนธนาทั้งตัว าโมโมมันไปเขาส่งย่งไงเนี่ยเพ่งโจ๋ไม่ก็ไปเท่าก็ไปอยู่ในถารามของนั่นอาจารย์นั่นน่ะอาจารย์บบอว่าถอไปพุ่งย่อขึ้นต่อไปจะีไว้พีเอียงไม่เห็นหรอว่าเปลี่ยงจิก็เห็นเนาะโมมันใช้อันนา้อยู่กองบริการการศกษาราน่ะ ปากเนีมเยมุจากลำดับมาที่โเขาบอกว่าเราเตือนกับเส้นไปแล้วเขาว่าเรเตืนเมื่อเสินไปงานนี้พวกามยืดสายต่อพวบอกไปว่าเดี๋ยวยูฮันละซาราขาไม้ได้ะพอดีผ้าไปก็ได้เว่าค้นระดับส่งเป็นเนี่ยพ้องอันคนส่งจังหวัดที่ยังไม่ละปากมุจักคนเจ้าพวกชามไปมุจักละเอียนพวกไปอกอะเขาอัน อาจาร์เพิ่งาเหรออาจานเพิงมาไปยูน่ะได้บอกไหมอ้อาจารนเพิ่งไปทั้งกันผมถามอยู่ว่าไปไปฟั้งย่ไส่ท่าเน้ำเตะเป็นเบอกผมเดี๋ยวบอกว่านันไปดอกเท็นนี่แหละเที่ยงเที่ยี่ยงเที่ยงเที่ยงเี่ยงเที่ยงเทีเที่ย่ยงเที่ยงเที่เทีงเที่ยเค่ยเที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงที่เ่ยเ่ทง นแน่มาว่าให้เอาไปค่ามาเทวธาตุเขา็ลักออกไไอะไรยู้แ น, น่อนอาวประเทศไทยามขนีเข า, ขาวาอยู่่นีน้อาจารย์วัชช่นอสุวเขียนสไว้อย่างนึงครับเนดนนึงมีข้าวหนึ่งผมไปตัดผ้าคุมางซึ่งผมเรียงไว้สามองค์ไปประทับส่งยูพิธนโรกของปู่สมัยผมเซ็จแล้วคุมานนี่ซื้อขับหลวงปู่ เออยุบลดก็ได้เออเหตัยังก็ได้หลวงู่อไล่แน่วเนี่ยเสร็จแล้วบานีทุกม่านต้องกินน้มหลวงพ่อืต้องดื่มน้มพรเป็นเล็กหน่อยเป็นเศษเล็กหน่อยบอกว่าลูกไปจัดการลดขน้าดจะให้ไปนะเพราะต้องพ่อยมีธุระอยู่เจ้าต้องไปจัดการไม่ให้ไปรอพ่อก่อนได้เลยอาจารย์วัตถินบุรีบานีไปเจออาจารย์พิษเน่าเกาะอยู่โคราชบ้าน เปิ่ลบเิผู้หิรักษาคนเด่นอือเปิเป็นอาจารย์นุ๊กวิทีอะไรเทคนิคเปินรักษาโดยวิธีรวบมือมาแล้วนันนงมาทีอี่เซต้ า, าเปิ้ลดันเข้าไปปั๊บเพิ่ลออกมาใส่พลังจิตรักษาโรคนะก็หบอกายหมอกเกเกียวจิตลมพุดธานิโยนี่รต่างต่าง้บบปลาสาลาบันโอราณเซร้าวานีเพิผู้หิอ่ะ จับมือผมไว้ปับรวกนางกมที่เพิ่โอ้โดอกเตอร์เลี้ยงปุมานไปสามองค์นี่เลยงงลเนี่ยกขิ้วตรงปากบอแแบกนั่นผู้สัมภาษณ์วายผมเลยหรผมบอกมีเปล่าจหวะผมบอกผมเห็นอยู่แล้วมีอยู่แล้ว ย, ยังมีโอ้โดอกเตอร์กำลงังไม่ได้เนี่ยตัวตายตัวแทนนางเนี่ยมมันเป็นยังไงกันา เขาจะไปเกิดดเรปเป็นผู้มาแทนเขามาอนกันหรือ่าะัาไม่น่กากว่ากูเลยทุจัดการจุดทูบจิดเชียนต่อหน้าพุท อ, องค์เหมือนสวยขอก็ามาละทั่วเขาใส่บาตให้เขาให้เขาปล่อยจิตวิญญาณให้ไปเกิดเอาร่างเขาไปฝากพ่อแม่ธรณีไว้เหมืนสังเวยผมจัดการหมดแล้วโอ้มันหายขายจรผมผมจะไปฝากไว้กับมึงมันแปล้งดึงสายอัน อ่าง น, าน้ำหลวปูตอนผม อ, ออกไปวัดขอไปอะไรเร่อยนะโอ้ยแต่ว่ามั น, ม, นมันมันวิธริดแน่นอนอยู่หงนค้นตัวดึงบอ่อแหงปู่จิต <c oughs> เป็นย่า น, นะครับวม้โตบ่ครับเห็นแต่อันอันดึงเคลื่อนที่มันดึงมาเรียบร้อยและลปู่ครับคล้ายๆเว่าเป็นอุปัตเนะครับลวปู่มันเบาเลยมันตึงก็เมือนห้อง บ่ครับผลปู่มันไปอันูมันมันเสือส่งเหมอันหลับอันูส่งนี่มันพอเขาส่งปุ๊บเมันสิแคเสียงเล็กน้อยออกมาลหลวงปู่ครับเช่นแล้วมันสิเป่าเลยว่าผมนี่อนี่เห็นยังเห็นยังมันเปิดความลับในมดเหมืนเราหลวงปู่หรือว่าผมไปเหยังไรมันบอกเนมืดละเอียดอ่าเป็นข้าวขาหมี่จลิบนี่นะจกไม่เคยเลยเนเช่แล้วบาทนี้อาจารย์หมอชิดโอสเนี่ยผมหูจากเล่าให้เนี่ย เราสง่งหนังสือมาให้ผมทันทีเลยโดยผ่้ได้เ<ม>รียกรองแสดงว่าเรากดจ้องเบิ้งผมที่กันว่ามอนี่เป็ยนยังหลังจากผมไปประทับส่งพิสญ์หลวงมากแล้วก็ส่งสนงมาให้ผมเมก่อใจแล้วคนพิชญ์หลคนหนึ่งประทับ ส, ง ส, ส่งธนะเรสหลวอถึงต๊อกน่าโวงไนโอประทับส่งหลายเจ้าชายอยู่วหมือันครับสมัยกูุงีธิยาแม่ว่า ผมอ่านเรื่องมึงเลยว่าเป็นโอปติกาัต์ซ mm ึ <pu> ่งก็ได้เกิดเมื่อหลายหมื่นเป็นมื่นมื่ี้ายในอดีตู้บัดทุกย่างในหมือไหลหมื่อหลเป็นยังไงแต่ว่าข้างหน้าตัวก็เอาเดาข้างหน้าเราเอาครับผมเลยบอกคนตั้งบนบ่เสืออยาทหามือกีดกับเชียงัเรงเย้าือเแยหมาแล้วนี้แต่ว่ากุมัรเนี่ยคนอาจารย์องค์นึงคนนึงให้สาหรับ ไอ้เล็น้อยมาสอนสามวนงูเหรอเพราเตอนหนังคน่องงูว่าผมจัดการพกป่วยแล้วอนั่นนความเรียนนั่นคองค์พระอยู่ในองค์ะนั่เราไม่ได้นั่นความเรียนนั่นคือองค์พระจุลกาจิโมะพวกเผาเข่าพีผุเข่าพิสุนิสุผีเข่านิสุโคยังไงเขาบอ่าเป็นแบา แค่ร้อยคงจะเป็นเลสูงเลืสูงข้างสดงตัวดาวันเลือดสูงนั่นคงจะิด้อเสี้ร้ น, น, น, น, น, น, นมามอสภอนเปีกเขาเลือดสูกเราหายสียดเราเองกดอกเนือหนลล้าดาวรุกขโบโสถ์เพื่อเสิไล่ปีไปเลือสูงของนั่นได้ขานกินเลือดพ้าเลือดทางกินนะฮรเลือดไม่หายกินนะปีกเราได้ออก เขาเลี <S <S ้งส er uh, exactly. ุก่อนเดือนอาบัติเขะใจไดอไหมกินเลือดกินเือดิอะไรแน่คนอะไรแน่พระจุวรรณจะแก้กานันคือนะไรถ้าทำพรเจ้าถ้าคนจะแก้ยังไงสุกอ้อนันไม่ได้กินเลือดผีกินจ้าห่าเพรัผีสินหวาน นิตตต่ pues ตีสวดปัจจุบหงอดมันมีล า, mm hmm. ายังน <ส Gleich S 1> ่าเศร้าเครียดมากแต่วดปัจุบหงกอดเพื่อรับสมเด็จทวราช่ามีพูวัชจับศึกซุท่างรลายนี่หรือบุคคลคนใดคนหนึ่งไม่จับึกุกอไร้ยองคหนึ่ง้หอยู่ในช่วงโสมสวดปัจุบหงกะจะสวดปัจุหงกอ้หนึ่งูเรื่อยขม่านึงรับช่างร้ายขมาฟง แล้วก็ตัววัวัวนี้มันก็ต้องสอจอตัปนี่วัวจอดีเขาไปซูสวดจอต้งมาบ้ากเนี่ยนี่เขเก็บพวกวยลงสอดจอเอ้าเรื่องมั้งนี่นั่นก็เป็นของกินมง้าง เป็นของทว่จริงว่าเฮ้ยต้วงรอันไปเว้ยพี่ ห, หน้าอูดนั้อันเร่ปีเห็ดกับีนนี้น่าเราะเพราะคนที่เจออ่าเขามีปีเห็ดหน้าอุตสูคิตจาคุณข้างนึกนำบากคนอื่ซื้อวัหน้่งสามารถหัวเป็นไฟหน้า อาต้วาให้น้องไอน้องน่ะน้องเนี่ยหน่อยก็เงี้ยไงออกของคนละงวยพยายามตื้อคว้าเป็นมาไรหายเข้าเนี่ยหายเง้ยน่อยเข้าใ่หายเงี้ยไงของคนละงวยสวยเกินมากเลยมาขอดึงเขาขึนา นี่มืนเมื่อฝาห่ อ, เ, อ, เ, ขอเขาใช่าพั ก, กินอะไรทีเ่เลยใช่เจ็บขอเข่าเลยอผู้คนว่ามนกระไรผู้คยากยื้อเข่านะเอนี่ยน่ยน้อยไว้ดีของถิม่มปมาณง่าฉันรอดเล่นลักป๋าเนมียังไงอใครขอของวัดบักวัดบ้างฝามี น, น้อยฝานียังไง บ้นเดียวเนี่ยน่ารักไหมเพราะอีอันนี้มันไมง่ายเอาให้มันตัวเลยมันหลักถิ่นตัวแตมันเป็ดปอกมากหน้าลยันน่แล้วของมันบมีพอกอันข้าอันนั้นอ่ะหมาข้าในพี่จะได้ไหมใช่ตีแล้วบากนี้ยตีง่ายงตายตายไปแต่ไปเกิดเป็นเจ้าข <that> well. kind of ้ามง่ายค่ะตายเกิดเป็นเจ้าข้าม่ย่ะ มันไปตึกงป่ามนไปพอเจ้าข้ามตัวน้นอยๆรุดเหนียะต่วเอูหลับด้ย้ะห้เกิดเปเจ้าข้านั่งนั่งรข้มขข า, ามพีเขาเจ้าศูนนั่งว่าเน่เ้าข้าน้อยๆมาให้กุกินบ้ได้ว้ทั้ีาขาตัวนึงแน่อนะรข้ามท่าข้ามท่ามพีเข่ขาเจ้าศูน บบอย่านงนี้นนนตั้งแต่คนเติบโตขึ้นไปนั้นก็มติคุกติกตะล่าอะร่างเี้ยอันนี้บอ ก, กเรียคุกเติมตะล่าสมมอิว่าอะไรคงจะเป็นรูนึงแล้วกฎหมา ย, ยาที่เป็นนั่นแหละคือสิ่งที่าแม่งประเทศที่พัฒคือสิจงองอนาจที่ที่ขาดจะเป็นนั่นแหะ แเนี่ค่าบ้านก็ไท้ว่าเขาเรียกปตึกป่าปลาตึกปลาเก่าเถอตามอลุ่มหลักาองการว่าไปแล้วมันลดค่ลดหนีลดหัลดหนีมัดตีมวดตีหน้านุ่ยังมุ้งนุงแย้มมุ้งถือถือโต๊ดนุยมนงย้มถือมกแตีหนังตีหน้าแล้วก็ใส่รอรออ้นแย้อะไรว้ เาตีห่แ้วข้มันเกิดเป็น้าหรือนอดมันี้เพาะว่าเกิดองงี้เขาึเขาได้มากเลยเขได้มาลยเกระไดใส่หน้าเด่นลูกค้าลูกค้าเต้าจรวนหวนหลวเข้าอนตหัวง ลูกเตจะเดิรอบไัหน้าหังแม่ะแปลูกแต่ส้มปลกแต่เนื้อาะไรออกทุกเส่นงแม่แบบปลูกแิน้วอะไรเตจดรอบแบกัดเฉพาะหน้าน้เก็เกาลงเอาลงเขาก็ไปยิ้มนีลยิจนแล้วเอาลงแล้วตายตายแลย กระดองเต้าห้อกระชมกรมเินเนตัาป no ่าน้ามันไปฝันเองหรอเอาตนวเงาป่ากระชีาไปไล่น้าไปฟันมันนี่พายังก้เสียมยัง hmm> ก็พายามเข่ากันนะครับเด็กบ้านเน อันนี้รูปพ ก, ก่ามพูดถมันเป็นง เ, เป็นโมแกศสรกเป็นสร้างใหม่ครับแต่พพทเจ้าองค์ก่อนเป็นสร้างใหม่มีพระอรหันต์องค์หนึ่งเป็นหัวทิพยขับไปวินาศบาทวินาศบาปบาปนเสียยหอ้แจ้จี้แ จ, จ, จ, จ, จม่ต้มโมเสาหลอกเกิ น, นไมมเอาลูกเอา ฟักไม้ใส่ลาพอนลูกบ่อใส่ลูกบ่กอใส่เล็บเล็ตีลูกนี่ไดาก่อนลูกก็เล่เอาใส่นัน่งอันนั้นอ่ะต่ก้อนอ่ะมันเป็นสร้างไหม ว, วังครับนั่นจะเป็นทั้งสองชั้นแม่้นูก เรื่อง่จริงเปนเรื่องอะเื่อกเสกันเปหนเรืองสกันอันอนามัยีเป่าแต่มปทำท่าว่าพีเขาจะสูญเรื่องเรื่องพีเขาจะสูญนี่เรื่องช่งเรื่องยังมานถือกต่มาเสกนอยเนี่ยเก๋งเก๋ น, กนยนะัสองเทืทอจะเกิดหน่ ก็ยุคข้าวหวานผีสมองมาเขามาเขายิ่งยนอันนี้ก็ยักตีกแปรเปี่นผีตูหวานมาเขาวายากินหมูกินงูออกฟากหาาเสียงย่นาง น, น, น, น, น, นั่นย่างนี่ที่หน้าหน า, นนานกับท่นหน้าพู้กับสาวมึงมึงอยางนี้นมึงมไม่คุณออคุณนึงสี่หลือจ็ตั ว, ตวเลยตะเือ ตึงชิ้นนอกเขาเลยเน็ตเล็กชิ้ก็ออกก็เอาหมูม่กุกิดแล้วก็นุ่งถ่านี่ไม่ได้นุ่าดีๆเลาต้องแลวกงุ้มงุ้มองพระาตแล้ววัดีถ้าแลิ้นดาเข้าไปติ้นดาเข้าไปจุ้มใ่ ไปจู่แอันเอี้ยวทีเขาจะซนนี่นี่้หาชมมึงนี่นี่วัดตันนี่หมูว่ดตันู่นานแทดังนั่นโอ้ยมาคายกันเลยมาคายกันเลยมาคาแล้วพวกขีกับขนเะครับชีกะ่อยอ่ะร่างเพราะว่ล่อนนี่ชอบไรนะนี่เอน่เลยออกสบีเหรอไ่ดีนี่กีฬา พ่าเขาจริงจรองพวกนี้ยนี่นี่ยนี่พเขาจริงกอบฟ้อมทะเล้าเศรเียนอะแต่ว่ามันจริงไม่จริงไม่จ้อสันก็นแล้วไอ้นี่คนแต่เขาเป็นอาชีพเขาประจัาอยู ulously, ่มล <Yeah, like ้วมีอยู่ลายอยู่แล้วอื้อยู่วผักกางหงายแล้วผักกาอเขาไม่จะว่าักเนื้อผักกางมี เห็นดยเนี่เรื่องราวโตยเห็นอ้วยู่าแต่สับนก็โต่มเป็นที่เดียวเลยโตไม่ใช่โตนั่นขึ้นมาอย่างนี้การทั่วถึงพเงพูนทังพังผสมเปาพีาเขานั่นก็ได้พูดพังพูนพังพังผสมเลยพีมาส่งเลย้ามาพีเขเห็นแต่ส่งถาตัวดำงถ้าข้ามี่อานาข้ามี่อ่อทหารจะเชื่อว่าย ผูพาว่า้วว่าแกวดาอะไรผู้ท่มอนหนาเมันเคยซื้อผีมามันก็ได้แ่้มมาเลยผู้ใดซื้อผีมันก็ต้องไป่สงาลคุณละ้อนเพาว่าแล้วฟูแล้วฟูแล้ผี่นี้มา่ผีก็ได้ออกจากหัอใจอนแล้วว่ะผู้า่มองีแก้ผู้ประือนบาวมองี่แก้ผู้ประถ้ำอะไรผัวมองี่เนี่ยมองีแก้ผู้เป็นโถอะไ เราวาดเลยปะเด็ถือมัะยุ่งาใจอะไี้มันยู่งว่ใจอะถ้าือันไม่เี้ยงรอมว่าันีนี่จะมันอึดอิจฉามากเถ้ามาถือแล้วมันะไม่เีแนวนะองี้อย่วาใจนะโอ้แล้วขี้่นแล้วว่ายแล้วออกจากหัวใจขน เขาใจว่าซื้อกับพวกเห้องที่กษตขีนแห่ขีนใต้วันชะหัวเซกสวนผีนี้อะัวงกกีขีใต้มื่อกล้าเนหอได้บวัชัวห้กำกี้ขีนแอะไร้ชก็รดตรงนี้มันก็เสร็จแล้วีปีศาจยังช่วยเซ็ตตาลกเลยต้องควงขีนแห่่ ก็ตีอาเราไม่ยนะรนี่ข้าวที่ทําพเวมาอยูไม่เจออีน่อเน่ยพอพ่อพ่อพ่อประมาณนั้นนีองเจอมาะสมโอ้สุดชิล่าพออกวไปแล่บอกงี๊ไม่ม <ak> ันปพนา พ no ี่นี่อม่อาพี่ยังเมันมากแล้วมือลอยมัดมันมากนี่ก็พอนอพี่เอาหมาอนกันงขาพูดกับพดกับเท่าหยั่งไปท่านแกล้วไพูดงอขาคนน้กับพดหยั่งไปกับเท่า แกะหว่บานไม่ต Th ้องคอยดูวุ่นวายงเว้นตังไมเนี่ยงานก็ุกรหมอกคนในชุ่มท่านจะเห็นจักสองจักสองว่างมันยางมากตาพที่สามหน่ะเดินนุ่ง้ากระเบนุูงใหญบอกขาเสียดอกแับแขนหนึ่งเยวพูุด นออนงตาไม่ได้ข่มรับเดว่ามรับเนีะเยยกกมาดลุกอันถ่ายกองดึงดลกอัถาหอมมนหมัวนั่นก็ว่าดินแห้พอยยอ่มด มีทั้พนัาพีอ่ำาอาอมาเนี่ยยกขาเต็มมายกเต็มมาขับรถโทษยำไปแก่งว่าะรถ <c oughs> มันมเป็นที่ั่นผมไม่ใชา่าชา้องรออันนี้อันแค่อนนจอดมันเก่ามันตรงแต่เราพันน้แนนธรรมศิลป์ศิน์ีอย่งหอกอันนี้ก็ร่างบอกว่เสี่ยงเลยนะเหว่าจะจะจะเสียตัวเสียตัวส่งคนเข็น เห้นไล่เพ้นเพ้นแต่ผมว่เขาไปใก่ต่างกผมหูแหลกเป็นข้าส้งครับเห็นข้าส้งเหผมพูเลยว่าบางค้นก็อ่างมาเป็นพมม่สั่พุมบางค้นก็อ่างมาเป็นทะเลสวนบางค้นก็อ่างมาเป็นผมพูโตพมรังกสีสารพัดเสียอ่างอยู่ถ้านีเรื่องกินเกนี่เรื่อง่กิน ท่านนี่มันนี่อย like ู่แบบนมันหนาัความเขาอะไรล่าภาพพิียังไม่ใส่เกลี่เลยที่มาสั้งศาสนาเขพูดอ่งอันนี้ในยุคน่ารักเนี้ยอายุบนบากเนียคนหนึ่งายุปวดหน้แก่พวกคนหนึ่งถ้าชี้แบบใจยังมยนจะไปไล่ก็เอาเง เป็นรางเลยแหละยนาโยนอไรกรไ้ันเอวัตาสีอาสยมใหญ่เนนมากมาบวชเนีานาพระคดเขาจะ่ช้ตัวพระอาจิตานี่อ่ะขนน่ะข่าเรื่วุเทวดามาไหว่าเกศเจ้าจนว่าี่ข่าเกศเจ้าสมานี่ยมันนี่ เป็นทายุีพระองค์เนี่ยก็คู่ชั้นโทโคน่าพมานกัสโโทษสมย่งพระอาญาเมตไตรโยเดี๋ยวไปแวกเอาัสโกองค์ที่สามคู่สมุงเปนองค์ที่สย่งพระอาญาเมตไตรโยีิไล้วไปวางที่ชั้นดาวดชั้นล้วเสียบมันเห็นชั้นพ่อ สงเดือนยังจ้าพุทธเจ้าาีในวากันอมัตกานะมุ่งผูปฏิบัติพระโพการนะพระโาเอนงชลงมาเกิพพดเช้เ่เมตใจจีมากยังไงคนังไรว่าพระชีเรงเมใจมากามไ้หรัจะไปยุบันฝากเลยคนึงจะไยุบคนหน่งจพักแกอีกคนเมตใจร โอ้มงนอ่เียร์เยวะตรงน่ออืมาเปลี่ยนก็เส็ล้วเต้อไก็แล้วโอ้ผลยก็นั่กจ้ใหม่ก็เชียเโอ้กานีก็ไปหาเป็นใหม่น้องเยียบเพราะป่ีอ่นะกสร้างปีเดียวั่ปีนมเขากันกเันี้นี้ยังจะไปขา อันเล็กน้อยอ่หเล็กน้อยเออน้อบางอันจะพอพอม้วนแขกตัวพระสมาบาร์เอเาะว่าเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดก็ปีนปมอันนี้แสดงคันเพาพระพุทธเจ้าว่าเกิดนั่นคันที่ว่าพระเสด็จไม่เหานไก่เท่าไงแสดงว่าพระพุทธเจ้าองมนาก็ต่ถึงอตังเพรามันเป็นสิเกิดได้ ถ้าพูดกยกัเอหมากกาดเราปวดไปเลยไม่สารบรมมีนี้ก็เพราะง้มากกวาเราปวดเพราะมันเพรามันนัดมืงงมมเเอเกิดิมาเป็นเอารถ ม, ม า, ปาเป็นเอารถในการบรมมีเป็จศัทะรอะไ่างเงีถ้าเนี้คือต้องใับจะรวมไปอสองข่ายสองข่ายกรับออสองข่ายกรับเรื่อมากกวา ล, ล้านเน้ มัพ <ım Laser> like ูเกีมากว่อยโกรมันไม่น้อยเลยตางกัับกันนีว่าอสงไข่กับอาสงไข่กับว่าอสงไข่ร้ายก็หาบหลาหมดเลยร้าก็ปวดปวดคนอีกล้วก็ตื้อคนอีกสงไข้นี่นั้ามากับน่มายก็มากูเซโตโหน้าคาร์โนคาสโปโคโตโมอาริอัมเตไโยมมาอีกจังคนทีนกับหนึ่ง ว่านาไปกับเป็นชะกัด่งกันี่นอครับเดียวก็กลับนี่พคุณี่เจ้าอภค์เแจิตวิญญาณที่เกิดในชุดนั่นหอกเป็นผู้ที่เมืตาม่วงใจโอ้ยกตาม่ง องรหาสั้งปีไปเดือันเุ์ปีนไม้ก็มาปัญญาสิกะเนี่ยแปดเมื่อปีคัณไม่ได้รอในเมตไออมพอมไอ้ของก็สนับโพดรห้องหาพันันติดองก็ไปแปดมื้อแปดมื้อวัดอกแต่ละองก็ต่อรอันต่อการตามบาลามีตัวนี้ปัญญาสิกะแต่ว่าถ้ามาอัเป็นอันเดียวกันรู้ศาสตร์ของของเข้ามา ิกันคสาบมีแอายุนิ่งจ้ากันนลูกส้มขนานกันเดียวครับลูกสมบัติพแ่อายุนนนะคันเสยอายุนี้ในหัวแตกมือปีคนเหรอแต่ละควันเนี่ยแล้วพุทธองค์เสี้ยเลไม่ใจควันเสี้ยวหัวแ0 0มืปี ไม่ค ร, รับณะแปดมือว่าันคือปุกข า, ญญ า, กาวา้ า, า, า, ญญ า, า, วาวัดนียพนีปัญญาทิกะทัสนูเลยวโอเจาหอถ้ามานาปัญญาทิกะต้องทัสนูรเล้วต้องอายุนู่ในระวางลอยสัแล้วคนกระตัวพุเจ้าหองกรลักเอาหลอ บ, บัวพที่เราไม่ได้ว้รเร็จคนหลั ง, งนั้นปอด้วยสิอันนี้ผมงง้ต้องนั้น <c oughs> <c oughs> รักเอาแล้วถ้าเราจะไปให้ที่นั่งบุญกราก็รักเอารักเอาไปเลยก็แต่ก็เสียหอเลยเป็นบำมเพนบารมี่แจังไหนลังโอ่ังมากเป็นลักษณะแปกเมืองตีนวิิยคือกะวิิยาใส่ความือเปลี่ยนเป็นไง พันหน้าที่กะใส่ัันหน้าเป็นนายรับฆ่าที่กะใส่รับฆ่าเป็นนายรับฆ่าที่ตะมต้องฟังว่าแล้วนี่แปลอุ่นไพอันนี้ที่อสมขไยรแ้นมังคัาพโผล่ลงมาแปลอสุนไพอันวิริยะทการซื้อพบอสุนไพรอ่ะสามวันนี้น่หมายข้อมาอันจ ะ, ะนกกาา อ, นออกปาดแล้วเดี่ยอันพาท่านออกปาดฐ า, านะอ่ะขั้วเลยนน่ะ ต่แปกี่วเขาใช้ได้เหรนึกไม่ใจอนว่าเนอทกษไม่แต่ถ้ามะเป็นอันเดียวกันสิง น, นหาที่แ ท, ที่เขาหที่เดียวอเดียวกัน่นี่น่นะเดียวนี่น่ะคือว่า่นี่น่ะเขาเรืไส้เขาพุทธเจ้าโคตรโด่งนี่สรับ่ว่าไส ถ้าธรรม่าทเจ้าุกพระองค์ก็เป็นท้าอนอันเดียวกันเือกันทรานี้ว่าตาสูเลยเนธรรมะเป็นรสาต์อันเดียวครับรสาสของโลกโกรดล้ก็เป็นอันเดียวครับรสศาสของโลกโกรดลมันบาไปแล้วไนหายไปกตอันเดียวกันพระนี้ผ่านก็บว่าี่อันดับมามัน็นีอันด like ับวน้อันดับพวนี้ตอนมีอันดับเป็นเสียงหัยอยู่ในภพภูมิเดียวกันหมด ผู้ที่ผู้ที่ลดคนยี่ดีลดสามเดียมันมเดา่าลดเปเขาอีกเะเขาอีกผู้นี้ลดเป็นบนนั่งบนนอกมต่รมันเป็นครับาะมันจึมอันดับกันแต่ว่าพันิพ่านนี่หลังจากที่ดีดับคันไปแล้วหายเขาไปสู้พันิพ่านก็อีกจึดสามมรถลงมาสัมผัสโลกนรกหรกบ่บ่มากเลยบ่มากเลยที่คนข้างลายนี่สมมวรรับ พระขอพระขอยมขอยมขอได้เป็นพระหรัที่นีน่ีพระพุทธ เ, เ, เ, เจ้ามาแสดงถาำมฟังก็ดีมีพระหมาแสดงถ้ำมาฟังก็ดีเน่ยพรามันจริงว่ามนพระหังมากมนพระพุทธเจ้ามาก้ำของของออกแสดงที่เจ้าของกับรัมาก ธรรมะของตองมองออกเสีงถ้านับเพื่อนนี้มันมันก็เป็นอันนั้ น, นี่มาก็คือไม่ไม้อพู่งฝึนแล้วมันจินมเเกสาา้าาไมมันกระเปา๋าเห็นเตเกสล้นาไหมนี่นันนันไฟ้นไปจะลามาสแล้คุณนัไประชันไดเห็นด้วะ น, น, น, นู้จยาว่านี้บ่ฟันไปแค่ห้ากรูกว่ อ <c ười> ะรีตากซบอยเีน่าจนเขายาหวานกองกงือเป่าเนี่ยมั้งอานในมีทั้งหลายเป็นจิตของตัวปูงแตงมาเบิ้ลท่านท่เตัวปูงแงขันจิตใจเฮาเลีอมแสในพะหาังไรก็ม่พระเข้ากับปรากฏเทปพะหลังว่ารนอ มาเห็นว่าคึกฤิ์กันเสียงกันกับลุงภูมิานออกแน่ๆซื้อในอันนี้ครับว่าชิปว่าชิป่ีลันลุงภูมิฮานเป็นสัตว์เต็มจีคือกันนั่นเลยโอ้ครับเีาก็ยังจะเพี้ยนนะลุกภูอิฮานเนี่ยเสียเงินตัวนี้แต่เชื่อซื้อลุงซื้อซึ่งกับซูไฟไรอเลยเราออกอืมซื้ออันซูจะกคองแท่ตโวลจีไว้นะอ๋ออืม ส่วนอะไรบานี่าเทวตาเมื่อสกน้อยเทวดามั่งช่างไม่หลายเมื่งตั้งเหนือคนหลาแนว่าดีว่าคนสะุนงหน่อยอกหน่อยใจยังเป็นมาั้งน่อส่งมันของดีายกว่าเปนผู้ลูกู้งนอผู้ม้าคนจะได้สัตว์ อยู่ในกลาขอบเน่ยกันอนลังทับนอจาอย่างไปมหาสมุทรนี่เป็นจากเราหนามคือว่าในตุ้มเถอนะจริงหนาหลายเพราะนั้นดำามีบ้านนี่จังๆบ้านนี่มื่อ่ว่าท่านมาขันเนีาวเขาว่าหนามไม่ตุ้มไมหาที่เ่ได้เอาว้าเหมือนมหาสมุทรที่สมุทรกลางเจ็บลายนีล ทุกคนผู st ้รู้ทุกคน้ามารถียูอะไรต่างๆนะพอท่านเป็นแค่ตัวมุ่มตัวน้อนยอระดาษได้บบนันนี่ายข้าหนน้อนจังขอสอบบาคนกดแกงแเนี่รก็วัโจตีอะไวเนี่อาไเนี้ยถต่ข้าแต่ที่รบมันเป็นกองาบุคนผู้คนแตกที่เด็กแสามารถียนรู้ไรต่างๆได้เวา ท่านธรรมปฏิธรรมล้าแต่งการในั้มตนี้ยังออย่างนี้สมบัติคือการมัดกันมาสมบัติลูกคือการมัดนะ้พุทธคนี่ปหน้าตอนนี้กมุ่ะคนใดต้องเล็คนองกับปญาพอกันที่สมบูาั่แตการพกันทีว่าอย่างไรไปเล่ยคือถ้าสอบได้นี่เราได้ท่านเกบีเบโซ่นี่เกยบจับตะวะจับตะว่าขานี่า มีอันดับหนึ่งอันดับสองนกรห้อซอก็ได้คือปกตินี่ผมเวลาผ่าตัดนี่อาจจะจ็ตใจมันสองอันใดเพราะ่าเขาจ็บขาพ่นใส่มือซ้ายมือขว า, าไม่ได้ตามปกติที่นีการทากงนั่งส ม, มาธิเป็นอย่างมันงบเป็นันเดียวเลย ท้องพุโตอยู่อีอันนึงเยชอย่ง อ, ยงอื่นใดตางสบายแต่พุโตยังติดอยู่ที่สตลอดมันเป็นยังไงอย่า่วงมันเดียวคนมันมร่วงมันเดียวว่ า, าได้แต่ว่ามันทำใม้สติอยู่ทัสองเงนน่นเดียวมันเก่งเลยเนี่อมันเดียวว่าได้กาเดี๋ยวคนผู้เดียวดเดียเ๋ยวคนผู้่เดียวทา ง, งานเนี่สองแมวเเลยเอากว่าพูดนึงสองบบ่อเขาเห็ดอาหารอยู่ มองสีนั่งเออซื <im> ้อทนเีขาออกพิกมโกนั่งเขาสามารถสีได้ไม่ได้ใช่งานไรหน่าคนผู้เดียวทำงานอะไรหน่ามันสติมันดูท่านแต่ประเด็นเด้ผมมมันจะมารสัตอืมเอาทั้งหมก็เรียนหัวแล้วกล้วยคนหน่หน่วไปเรีั้งมด้กยคนหนึ่งคนหนึ่งเอาน้าหม่มาจินพร่องเน่ยอันี้จดีม่บอกอย่าง่ เราเทคนิคการคือทางเมลัยอาจารย์อยากปอดเลัยอาจารย์นะครับอาจารย์สั่งสั่งก็ว่าสั่งก็ว่าพุ่งโตไปนะครับโยมมาหาบนกว่าพุโตไปตัดมาใหม่ๆก็ว่าเอามาลว่วมกับการหายใจเข่าออกในี่หาเขาออกโตรูสว่ามันบอดื่อกวีใสันนั้อน่าจะท้องไปหรืว่าแต่จะเป็น้อันนี้ อันนี้งค่ะบอกวมเห็ น, รรนี้ไปตุกรงเล้วว่าอยาจะเอาอันใดอันหนึ่งเพราะว่าการสอนของอาจารย์เต่ละแต่ละองค์นไป่ค่คย อ, อยสุจริแตกไข่อ๋อ้อดถามดเนาะสมมตวิว่าหัวนึงมันไข่เยอะขึ้นมันไข่มันหนาวหึ้นข้าวกน เอาอยาเนี่ยอื่นผลยาแก้พิษผลมาไซเม่แก้พิษแก้สมยาเอือนือมันเป็นยาแก้ไข่มาไซ่มันก็ว่ถือก่อนเวลาน่พูดือก็พูโตน่ะท่อนซ่าสจะรีบพอหน้าพุทโธถือกูมักหลงมักลืมเขาวก็มั้จะเข่ากูมักเว้ามักน้ำ เกิดเจสีมกุบาวเกิดเจสีมกุษาเป็นเจ้าหมอใจเลยเพื่อจาพี่แกนาอัจฉริยนขับมากทะลุด้วยมันยัแก่กันเดี๋ยวเรื่องหมอยาที่แก้มาได้กระซ้าว่างาพถือกํโรคก็่ได้วสินะมันสิดปเกียวใหญ่ก็เอาหมูสินเมื่อกลายตัวเดวเสียเลยวใหญ่ไปดำสินะน่บอได้ได้ตัดจิตนี่ตนี่้นชางลาย มันบอกคาว่าเโทพโธมันบริกรรงานเลยทำเป็นพระท้าจารีมันกระดูดกรถดูดทำให้เป็นพ่อสายจารีตก็ี่มันกระพดูละมันกวา่ไว่าะมันเป็นราคาจารีก็มันก็พดูดกว่าท่าปากก็มันเลยมันโตสายจารีตนะคุณได้ว่ายังจอจเครียดได้เครีอะไรหนึ่งวันี่อันนันกัต่อแถวพอน่ามีตากระพดู พระเพราห้าวภาวนเมกามัตว like ์ก็าเร่าขจอบสุกท <commitment> ั้งหลาจอกสุขวเราขชอบว่จอมีผู้มาดูมดาสัตว์ั้งหก็ม้นกล้าก็ได้ปัดชนะปก็เล่าเป็นุกอ่กันไปอันนั้นโรหายบกแกเเมตตาตนแล้วกันไปฝึกเมตตาบุกคนผู้มีคน ก็ขพื่นบาเพื่อนบุญก็ดีเพือูดผู้ทุกข์ก็ดีมักเชื่อคนง่ายจักม่ไม่แม่หันจอดได้ถืเชื่อหลยว่าที่เขาบอกเรียนเนี่ยอันนั้ต่อภาวนาผู้ทุกข์ผู้มักล้มมักลืมมักสะดุดภาวะในกำเนวนลมัาใจถอจนกรรมฐานนี่ถึงกับอิไมอยู่ กูก็กระลิศทุกๆกระลิศเลยเพ่นตัวเตะโลกศีลยินดินยินยินยินยินยินเพ่งนั่งนา่านา่งนั่งนังนั่เพ่งไฟเกิดโรคไฟไฟไฟไฟไฟเพ่งร่มเกิดอารมณ์ินน้ำไฟล่มกรรมฐานสียางเนี่ยตื่นตื่ดกระลิศทุกๆกริศเลยไฟไฟไฟไฟไรับเข้าไปประโดเกณฑ์ รับข้าวไปปกติเองรักษณะเพราะมันรับษณะเพราะมันไปออดยังไงยงาคาอะไรเนยแสงสว่างมันเป็นยังอันนี้คือกับจะลิฟตุบจะลิฟต์กับเทียนเรากตินี่แค่ว่าจะาักรไฟไะไรนั่นสายเทียนอะไรนันเกิดเทียนผมเื่อาแล้วมันไฟอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรไรับกำกำรัณะมันได้หรอฮนยรับตาเขาก็เห็นนั่นเห็นไปลักษณะเขาอยู่หันเไฟไอยู่ที่ตัว ขยายออกเป็นดวงง่ายขยายออกเป็นดวงน้อยอันนี้ก็ะชิดจะรวมง่ายย่าเป็นสมาธิทุกตุกมันมีปันาตอนนี้ปัจจนาพอดีเลยครับกรรมฐานทุกๆกกรรมฐานจะได้อานาจอันนี้จังวัดวัดกลังกระถอนออกมาวัดกำลังกระถอนออกมาจิ่งที่มีเวรยาาข้องจรงไม่ได้โลกธาตุเลยจริงที่มันมีเวรย่าข้องจริงไม่ได้โลกธาตุเลยหรือว่าใจอำนาจอันนี้จังนะ อันนี้ก็เลยเรื่อกิดทำอะรตัวแรกจะทำมาผ่อนนะอันนี้ทำมาผ่านวันหน้าอันนี้ก็บผมีคนทางที่เบือหน้ารู้มี่เบือหน้ารู้มันอันนี้นอกจากทุกคนมีอนไรจะเปิดขึ้นนอกจากทุกคนมีอะไรจะแปรปวนนอกจากทุกคนมีอะไรจะรับไปทุกคนเกดเกิดทกิดเกขดเกิดเกิดเกินเกิดเกินกกิดเเกิดเกิดเกินเกกกิดเกิดเกิดเนิดกิดกิดเนิดเกดเ ทั้งขาช่เป็์นทั้งขาชางเต่ควนทั้งขาชัางเกได้ไปมันมีข้มาอันนี้วันี่สถานีวันี้ล่อมันซับตั้งห้าเห็นก้อมหมันมาเียงในโลกต่งจัวั่าอันดี่งอนาคตเจิตกจมันคายข้อมาออกมาพราถอยออกมาถึงพวกเยื้อเชื่มจะกถอยออกมามันเห็นฝ้องเขาเหาไม่ได้อเไปเห็นฝ้อก็ขาพิมพ์ิจารณานั่นเว็านายอะไรอันนี้เรียกว่าปัญญา วันน่าอบรมสมาธิเขมรวันนอบรมวนน้เมรนน้อบรมวันน้ให้มันสูงมรวนนบอกวันน้เมรทุกคนทุกชีวิตควรจะมีเนื้อาหารที่จางความาดเขามานันีก้ก ouais anyway ็แล้วแต่แตสะดวกเช่นเขาจ้สูญเหือทุกทนมันก็เป็นข้อมองมาเียมทกัน นั่สอนออมาเท่านันนั่งสอนออกมาอนออกมาเท่าันโอเคฟุตซิงโนการเก็บฟุตบักตาไปเห็นลูกหูฟังเสียงดักหลักกาตาเห็นรูกก็แล้วปัญหาหูฟังเสียงก็เกิดข้อรับเลยไม่ได้ยุติเรียกว่าอะตักแกะตักแตักแกะติ๊กตองจนมันพื้น บอนะคิดไปมันเกิดกระปูดออกมากรดับไปเป็นขัําเสียงข่าวหูสอนสนใจแต่ระดับไปเป็นขัำำ้มตาไปเห็นลูกดับไปเป็นยุบๆไปหูไปฟังเสียงกรดับลายกับหูแต่ า, าเกิดตาลายกับตาเกิดดังดังถึงกินนะั้นเปลี่ยนวิถานไปอีกเปลี่ยนโนดไปวนดมาเรื่งสิทะจะคูวว่วิญญาณวิญญาณทางดวตาดตาวิญญาณวิญญาณทางี้ คณะวิญญาณวิญญาณทางสมบูรณ์ชวงหาวิญญาณวิญาณทางนี้งายวิญญาณวิญารทางกายณโมวิญญาณวิญารทางใจสัมผัตตานิยติปัจจัยเกิดเวทนาจัรู้สัมปัตตัวรสัมปัตตานสัมปัสติวงหาสัมปัตติกายสัมปัตตาโรสัมปัติถ้าเป็นลูกที่พ่อใจถ้าเป็นลูกที่พ่พ่อใจ เป็นทุกขเวทนาถ้าเป็นลูกที่จเป็นกลางเป็นทุกเป็นอุเบกขาเวทนาเสียงก็คือกันกินน่ากระทบดังก็คือกันรถกระทบรื่อ็คือกันปวดสะพามากกระทบกายคือกันกระโดอุ่นนี่คือจะเป็นชีพย่อยใจจะเป็นทุกขเวทนาคามันห่อนุ่กับเป็นทุกขเวทนานี่เอาคามันอุ่นกับว่าห่อนกับว่านี่ก็บบัวกัเป็นอุเบกขาเวทนานั่งเกิดรับเรีวกัยัง เนี่ยนานแล้วความสวยอารมณ์เลยเดี <cat> an, anyway ๋ยวป็สวะอันเดี๋ยวกัสสวะอันนี้ยุ่งจังเลยคิดไปิดมาเ่ายะัลงเกิดสร้างตายจะร้างอ่ะมั้งเกิดรักก็ไปเจอทุกเบี้ยขาเวันหนึ่งวันหนึ่งมันีจะพกจะผ่านตั้งล่า่างหมดองันอออนั้นรจโยอันั่นตาะภาพใจันั้นสระเหตุ น, นันการรผลเลยห่ะผลทุกผลองเหตุเหตุนางผลกับนางเหตุรับตาผลกับรับตามืดรสศาสตรห่เหตุมืนผลแต่หนะเหตุสงไท้ผลกับสงไขะเจีบยบหยิมันโยเสือได้คุณพระผู้เคยดเนี่ยถาเสีวเส้นก็จะมันเกิดระดับว่าเกิดรดับเป็นงานตีต่อ โอ้ชคนกับทุกนาการตองสารต้องพิจารอนัาอานงกรรมตพารณาข้อูเกิดคับวทีท่นีอายุยุตังล่างปีกร่างถ้าไปเห็นข้อมลเกิดดับเกิดดักกบกรกตปูวิอายุยูหมื่อหนึ่งเห้อ ง, งเห็นขอ้ขอมูลคนน้ำมันไม่เห็นอะไโรโอ้เปนว่างเพราะว่มันเต็มไปด้วยข้อมเกิดดับเเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคติดต่อกันจนเกิดฝืดจนไ่มีน้นส่น้ำใสไม่มีน้งหวันน้ำเค็มแค่ไห อันเกินเนียกรดับเล้วอันเกินยารดับปไปตามยามนเงคยึงเกิน เ, น, เน้ยกรับเลี้ยวนนีุ่วตอนนีน้อนัเดยอันอนี้นนี้วยงนีนะตน้ไปของเรงคเียวหนอนั่หลอกไฟน้หน่ า, านน้างใไหมคือ้หลอกไฟลูกหลอกาฟลกเกิดมาแก่เนี่ยะแ ก, นแกน่น่ะแก่มากนับสที่งทังผั จ้สมาธิชนิดไหนหน่อยเจ้ก็กระไรละอุ่อัมพุทธปัจจายสาขาอุนห้ามนดเดียวอุ่นจับเป็ดแก้มากจับเป็ดลวงมากลวมากลวงมากลวงมากเกี่ยแต่ของทุกวันยังคือกันเอาเดี๋ยวนี้บวใกล้จะตายก็มาเศ้าเลยมดเนั่นลุไอ้ลกไปสวัสดีปีใหม่แล้วพวกเฮา ถ้าคันใกลตายเขไปกลแน่นอนแล้วมันจะพอยออกได้มันยับเขายับออกน่ะพลอยออกถ้าขีดข้ามเนี่ยนั่นเนี่ยรถตําแหงมาหลายัวยแด่แงวดแด่ราบมาหลายได้มายก ต, ต้างๆก็เอ็งแกงแกะจินน้อแม่หายตดเอตะวิ่งจากบ้า น, นมาแต่เรีอนต้นแนงว่าเรือนตํานแดงว่าเนี่ยเรีอนตําแดงเออขาลูเขากองไฟเนี่ยไห <c oughs> นรบไหนรู พุทธเจ้าก็สอนในพุทธเจ้าสอนแห่งนโลกเลยสอนแห่งนายควบหลงจากของนี้สอนในต่อสูบควบหลงจากของได้พุทธเจ้าเมื่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิยางเป็นภูมิภาลังสัมมาทิฏฐิยังเป็นภูมิปัจจวดาวสัมมาทิฏฐิแบบโตพระเจ้าข้าข่านา น, า น, าานี่ละเอียดมากกว่านะข่านนี่ละเอียดมากกว่า พระหัรเลี่ยมสมารถทีเต็งพวกครับเป็นชอบรางเต่งพวกเป็นวิบีเรียเครื่องปัจจัยเครื่องอาศัยของบอนเมจิเครื่องนุ๊กสเมธิยามเชฟินธบาลเน่นีข้าวบางสกุลโยคนจะไม่ฉันดะรองเราน่าโมน้าจัดขานด้แค่สามจักขา ข้วมนเพศรัชฐานปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ก็ว่าสะดวกเหมือนกั น, กก น, นจึงมีกี่วันมสบัเสนาอรษในเพศรัชฐานอแพร่เพรศัชนจักมตโตมาละฟังเอยะขันโมนี้อันนี้รักษาไปว่าเขา่สะดเหมือนกันปฏิบัติเพื่ทุกข์เรียกว่าหทิพย์น่นรจียี่ได้หลวงพ่อพุทธเจา้าให้อาศัยอุปมาตัวนึงคือแพร่ใอาศัยประจยที่ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ได้ว่มเหว่าเป็น เป็นเขตเป็นเาโลกนี่แน่หรอนาเกิดมาเป็นมนุษย์กะว่างมาเกิดถิว่าปฏิบัติตัวคนทุกข์นวังานี่ว่ามันสิปัถนามาเป็นมนุษย์เท่าเกิดถ้ากิดเกิดตายยังเมื่อโตที่นว่าปัตนาเป็นผู้หมอย์ยังนี่ะไปเรียว่สิปัตนาเอาชูไปว ไี่ใช่การบอกเขาข้ามเสือเศรษฐศาสตร์หรอครับก็เด็กคนนั้น รูปภาษาปัญญาล้วนเสด็จสิ่งไหนมันเหสมเหมาะสมซึ่งไหนทำมันติดงยเคลบลังสิงมะสมเหมาสมดจุดไนมันจะโอเคหลังเอาไหนลงชงเมะสมอย่างีเนึ่งเอาสองเาเอานี่เลยว่ามันเอียงตวต่ว่าสงะสแก้เฮาไปเคลียเฮงาไปตายเอเมาสมเลยเอาเดือนันขึ้นไ เพ wow. คอม mm ้โตเลยปีละปีข <c ười> so ันหมดอันม้โตก็จะได้ร้อีกเว้ยบันว่าสมกับสมก็จะไร้ยังไงสมกับสมอันนี้ไม่ได้สมกับสมอสมกับสมก็ต้อง้อมหลับเบือลัก็้องเบืนั้นก็งกัอสมกับส่งเดียวโลโลก็สมกับสม สังคาราปารมาทุกษาสังขาเป็นทุกอย่างนี่จัดเข่าต้สังขารสังขาที่มีแคร่ทองสังขาที่มีเจะบกอกสังขาสามอันนี้ปาร์คือนากรสังขาารมีเจ็บออันนี้ปาร์คือนากระสังารสังขาที่มีเจ็บกออันนี้ข้าวในสังขารทุกทอภิสัารทุกท่อันนี้ข้าปูนยาในสัารใ่สงขารเคอร์บู อภูนยาวิษสงฆ์อภูนสงฆ์อัวนี้ก่ออันนี้ชาพิษสงฆอันนี้สงฆาอัตนี้อันรี้ชาอันนี้ชาไปแล้วพ้นไปวันหน่จะทิฏจีเนี่ยสมาธิก็ยังบางคนจะทิ่จีเนยครับจะทิฏจนี่สมาธิสอบสัตว์ล้มสู้แต่รับเหมือนกันสอบล้สู้อันนี้สารังอันนี้สามทุกครั้งถ้าไปทิฏจีเนียสมาธิตายข้าพเจ้าทมาธิก็ไปเกิดพ้นมรรคมดอันนีขใช้เกิดมะแขมาแกวต่ายอีกเรื่อง สำหรับพร ะ, ระ then, มั่ก็ตตองปฏิีั่ิเพื่อผดทุกนาวกาทั้งสาทั้งสนฐาะสำหรับโยมมันงกระเนี่ยนโยมสามารถได้พระัวดดวันได้สามารถได้พระเจาพรานิ่สามารถได้พอนาครย์นิ่งสามารถได้พระทหารกุศกายมพระเจ้าของนี่หลายพระทหรทหโยมแล้วจะโทษทางอาพระหารโยมพระพญากรพระทหาโยม พอแม่พ่อองคเจ้าเมื่อสาพเกิแต่ะคนคอเกิด่อยเกิดพ่อแม่มององเจาตฉพาะคนอเจ้าเกิดเอากันพระเวลานภารหันย่งไม่หลายยุ่พระอนาคามิยุ่งก็ไม่หลายพระโสดาบัน่งก็ไม่หลายยุ่งพระองค์ว่าไเยอะช่วงร่วงวหกก็ไทุ่านพระอยม่งะรขัน้เอาขันนี้จะภารหันโสดาบันจะพระอนาคามิอนาคามิ ฮัม uh huh.